นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา29วัน21 28 29วัน เ, 20, เป็นวันวัน29วันแต่งานของพวกเราทุกอย่างาตั้งแต่เมนแล้วก็ความเตรียมพร้อมของงานก็รู้สึกว่าไปราบรื่นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคอะไรแต่พี่ตกกังวลกันอยู่แต่อย่างเดียวคือวันงานจริงๆ กลัวฝนตกเท่านั้นแหละเอออันนี้กลัวกลัวมากๆเพราะว่ารถตราจะต้องลงไปจอดในท้องนาถ้าฝนตกแล้วรถก็คงจะลงไปไม่ได้อันนี้ปัญหาที่จะตามมาอย่างหนักง่วงคณะกรรมการที่จัดงานแต่ถึงยังไงก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็คงจะไปบอกพญาแถนบนฟ้าไปมั้งเออวันนั้นขอด้วยเถิดเออเอออย่าให้ฝนตกเนอะวันนั้นเนออ ด้วยบุญบรารมีของหลวงตาที่ได้บำเพ็ญมาด้วยดีขอให้คุ้มครองลูกหลานทุกคู่ทุกคนขณะที่เดินทางมาร่วมกราบไหว้ยัตสรีระขององค์หลวงตาตลอดทั้งไปทั้งกลับและก็พร้อมกันก็ให้ผู้ที่ดำเนินงานเดินงานทำงานทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหลา่าทุกคนทำด้วยศรัทธาแล้วก็อย่าได้มีอุปสรรคใดๆขอให้ราบรื่นทุกอย่าง ขอบุญบารมีขององค์หลวงตาของพวกเราที่ท่านสังสมมามากมายท่วมท้นบริบูรณ์แล้วขอให้คุ้มครองพวกเราทุกๆ ท, ท่านแล้วก็เมื่อวานนี้คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นาโดยสมเด็จพระมหามมนีวงและก็สมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบาวรนิเวศสมเด็จมหามมนีวงศ์ทัดท่านประทับวัด ราษฎร์บ่อพิษแดงจอมเร็จพระวรรณรัตท่านอยู่วัดบอวรนิเวศวิหารและมหาเทราสมาคมแล้วก็เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดทั้งรองเจ้าคณะภาคแะ้ะเจ้าคณะจังหวัดทุกคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ได้มาร่วมกันเมื่อวานี้นท่านทําพิธีสวดพอสวดเสร็จแล้วประทอดภาพบางสกุลก็เป็นที่อบอุ่นแล้วก็ท่านก็ได้บอกได้ เรากับพวกคณะกรรมการว่าวันที่ห้าวันที่สี่ที่ห้าเน่ยสมเด็จสมเด็จมหาบุรีวงท่านว่าท่านจะมามาพักกับพวกเราตั้งแต่วันที่สแต่สมเด็จพระวรนรัตท่านจะมาวันที่ห้าแต่คณะสงฆ์ไปถามทุกองค์ว่าถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรท่านก็จะมาร่วม ง, งานของพวกเราเป็นนั้นว่าพวกเราทุกหมู่ทุกเรา <c oughs> ทางฝ่ายพระสงฆ์ ท่านฝ่ายบ้านเมืองท่านนายกก็เคยมาแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นอันว่าดวงตาของเราเนี่ยอบอุ่น เ, เพราะท่านสมกับท่านดวงตาเป็นผู้เสียสละอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วกล่าวอีกและก็ตอนขํามหโมงสี่สิบนาทีพวกคณะพระสงฆ์และคณะสัตยาธิโยมก็ได้ร่วมกันทาวัดเย็นจากนั้นก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันทุกวัน จากนั้นก็ทอดผ้าบางสกุลเมื่อคืนทราบว่ามีคณะมาร่วมงาน78คณะนะนฝั่งประเทศลาวก็มาร่วมด้ว ย, ยวัดแน่นไปทุกวันขอบอกเก่าพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกทุกหมู่หลัาที่หลวงตาไปเมตตาหลวงตาไปเมตตาไปช่วยอนุเคราะห์ได้รับได้รับธรรมได้รับทั้งวัตถุคือสงเคราะห์อนุเคราะห์ โรงพยาบาลโรงรับโรงเรียนตลอดถึงให้ธรรมะเป็นทานพวกเราได้รับธรรมะจากองค์หลวงตาอะได้รับธรรมะจากองค์หลวงตา <c oughs> แล้วนําไปนํานํำไ ป, ำ <c oughs> ำไปทํานำธรรมะคําสอนขององคหลวงตาไปประพฤติปฏิบัติได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้าน จ, จิตใจครอบครัวเป็นสุขเมื่อได้รับทำคําสอนขององคหลวงตาแล้วนมาคราวนี้นะพวกเราจะต้องช่วยกันร่วมกัน มาส่งศิริระขององค์หลวงตานะวันที่ห้านะ่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าหรือจะมาก่อนก็ได้แมากราบมาไหว้ศิริระขององค์หลวงตาเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าแล้วก็องค์หลวงตาของพวกเราท่านก็บอกแล้วนี่บอกว่าท่านไม่มาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้ว เราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วเพราะนั้นพวกเรามาส่งองหลวงตาในคราวนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะคณะสทายาทโยมอย่างเมื่อเช้านี่หลวงพ่อไปปีนท่าบาทวันนี้เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์ที่27พี่น้องประชาชนใส่บาทโอ้โหล้วนล้นล้นหลามแต่เห็นทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นละพี่น้องประชาชนทุกๆ ท, กทนเวลาเห็นคนมากเขาก็อยากมาเราก็อยากมาก็ต้อง น้ำใจนี่แหละสาคัญอย่าไปโกรธอย่าไปเกลี้ยวให้แก่กันแย่งกันทําบุญดีกว่าดีกว่าแย่งกันทําความชั่วนะแต่ถ้าเราแย่งกันทําบุญอย่างนี้แหละเออพวกเราจะไปด้วยกันอยู่ประเทศตั้งเป็นประเทศชาติกับประเทศชาติร่มเย็นเป็นจุบเพราะเป็นคนเป็นคนมีศีลมีธรรมไปอยู่ด้วยกันเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่านะเวลามาทําบุญต้องรักษาอารมณ์ของตนเองเอาไว้ อย่าไปโกรธโกโหโมโกธานะถ้าว่าผู้ใดคนตามในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าเวลาทำบุญเวลาทาบุญโกรธโมโหโโสโกธาตะปึงตะปังใส่คนอื่นเขาเกิดพพหน้าชาติหน้านะจะเป็นวัดเป็นแไปเกิดขึ้นมาเลยันแหะเหมือนกับยักษ์ยัวัดแก่งนราไ่ น, นหน้าเป็นอย่างนั้นหละเอ เพราะอารมโมโหโธโศเลยเออเหมือนกับเวลาเกิดมาชาติหน้าก็ น, น้าบูดหน้าเบี้ยวแต่เกิดเป็นเศรษฐีอยู่แต่ไม่งามเพราะเหตุไรเพราะใช้อารมณ์โกรธในการทําบุญเอออย่างน้อยกับวัดชิมวาสนะไปดูๆนะที่หน้าวัดชิมวาสยักษ์ถือตะบองนะหน้ายักษ์มันเป็นยังไงเพราะนั้นแหะคนที่ทําบุญแล้วเออไม่เบิกไม่บานจิตใจโมโหโกธาวันนั้นจะร่างหน้าตาจะเป็น เป็นยักษ์เป็นมารใชแต่เกิดรุ่มร่ารวยอันนี้สงทานไม่ไปไหนอันนี้สงทานมีแต่ว่ารูปร่างหน้าตานั้นไม่เสร็จสวยงดงามเพราะนั้นขอให้พวกเราเนอาทุกคนทั้งโองคงโรงทานทั้งที่ไหนไหนมาร่วมทําบุญกับองค์หลวงตาเนี่ยทำใจให้สบายทําใจให้เย็นมากราบมาไหว้ด้วยศรัทธาจริงๆตั้งแต่เดินมาจากวัดตั้งแต่ประตูรั้วนะประนมมือมาก็ได้หรือจะขึ้นศาลา เราปนงมือขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้ใจของเรากระเพื่อมนะให้ใจของเรามีพุทโธอย่างบบองคหลวงตาท่านสอนพวกเราจะเข้าจากนักเข้ามากลาวศรีระขององค์หลวงตาบุญกุศลนี่จะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราทุกท่านนะแล้วก็พวกเราอยากจะทําบุญทีบางคนก็หาที่จะทําบุญแจะใส่ที่ไหนพวกเราเห็นตู้บริจาคไหมนะถึงจะมากนะถึงจะตู้ที่ไหนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างใน ถ้มีป้ายบอกว่าตู้บริจาคทําบุญขององค์หลวงตานะพวกเราหยอดลงไปเลยหยอดลงไปเลยจะทั่วถึงกันทั้งหมดเพราะคณะเวลาตอนบ่ายๆเนี่ยคณะกรรมการเขาจะถือถุงแล้วก็มีคณะกรรมการที่องค์หลวงตาเคยไว้เนื้อเชื่อใจนะกลุ่มที่หลวงตาเคยไว้เนื้อเชื่อใจท่านจะไปเปิดตู้บริจาคจากนั้นก็ใส่ถุงแล้วก็มีตอชอดองมีผู้เจ้าหน้าที่ ไปควบคุมดูแลด้วยจากนั้นก็เปิดทุกตัวแล้วก็มารวมกันคณะกรรมการของวัดปา่าบ้านตาที่เคยนับเงินโครงการช่วยชาตินะก็จะมานับใส่กันพอนับเสร็จแล้วกับธนาคาร3ธนาคารมีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธ น, นาคารกรุงไทยก็มานับกับคณะกรรมการอพอนับทั้งเช็คทั้งเงิน รวมกันแล้วก็ทั้งสามบัญชีเนี่ยเมื่อนับเสร็จแล้วก็เอาเข้าบัญชีแต่ละวันเนี่ยแต่เมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี้วันที่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบวันที่สามสิบมกราห้าสี่ถึงวันที่ยี่สิบห้าเมื่อวานวันที่ยี่บกมันยังไม่ออกมาวันนี้นะวันที่ยี่สิบห้ากอกห้าสี่รวมเงินทั้งสิ้นฟังหน้าเลย รวมเงินทั้งสิ้นนะเป็นเงิน188ล้าน7จ8 6 9 9 1บาท29สตางค์นี่แหละเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไหลเข้าตู้ตู้เจ็บทั้งโอนมาทั้งเงินสดทั้งเช็คทั้งโอนเข้ามาทนธนาคารเขาก็จะนับเอายอดมาให้ทุกทุกวัน เอ่ยังคือมาวันนี้กับวันพุ่งนี่แหละวันที่ยี่สิกกับวันพุ่งนี่แหละจะแจ้งข่าวให้ทราบเพราะฉะนั้นเงินพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์จะไม่ล่วไหลไปที่ไหนแต่เงินของหลวงปู่ลีนะไปบริจาค ก, กับหลวงปู่ลีหลวงปู่ลีก็เอาเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ดอห้ารยกว่าล้านแล้วนะเอ่ยครบแล้วเงินหลวงปู่ลีเข้าโรงพยาบาลจากนั้นท่านก็จะพักเข้ามาเป็นเงินคลังหลวงกับกับองค์หลวงตาของพวกเราจะเอาเงินเข้ามา ช่วยชาติคือออกเข้าคลังหลวงคือซื้อทองคําเข้าคลังหลวงเพราะเงิน <c oughs> หลวงตาที่ท่านสั่งว่าให้เงินครบห้าร้อยล้านนะหลวงปู่ลีท่านก็หาได้ครบ500รอยล้านแล้วต่อเ น, นี้ไปหลวงปู่ท่านก็แต่วันนี้แหลเป็นต้นไปท่านคงจะผักเงินจํานวนที่เหลือเข้ามาซื้อซื้อทองคําเข้าคลังหลวงตามพินัยกรรมขององค์หลวงตาเพราะนั้นขอแจ้งข่าวให้พี่น้องลูกหลานก็คนนะีผู้ใดมาทําบุญ หย่อนลงไปเลยตู้น่ถ้ามีชื่อว่าทำบุญกับโครงการหลวงตาแลแ้วก็หย่อนลงไปเลยคณะกรรมการจะไปรับมาตามกำหนดเวลาลูกหลานจะได้บุญทุกคู่ทุกคนแต่เงินหยอดลงไปในตู้เงินเข้าไปในคลังหลวงแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตใจของลูกของหลานทุกคู่ทุกคนเสมอเสมอกันตามกาลังศรัทธาเพราะพวกเราหลวงพ่อเองเคยถามนะถามว่าเออ พวกเราทําบุญกับคลังหลวงนี่พวกเราศรัทธาครังคลังหลวงไหมเขาว่าไม่ศรัทธาทางหลวงศรัทธากับองคหลวงตาหลวงพ่อถามเกือบร้อยทั้งร้อยนะบอกว่าศรัทธากะองคหลวงตาเพราะฉนั้นพวกเราทํากับองค์หลวงตาแล้วหลวงตาเป็นผู้ไปเหมอบให้คลังหลวงอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่หลวงพ่อเองก็อยากจะพูดเรื่องคลังหลวงเหมือนกันนะเพราะในฐานะหลวงพ่อรับที่ในกรรมกับองคหลวงตาแต่ว่าถ้าจะพูดในวันนี้ คงจะไม่ได้ชันอาหารมากงั้นแหะเพราะพูดทางหลวงมันยาวเหลือเกินคนนั้นตอนนี้ไปรับพร น, น, นะนีน่ะ